พระศ า, าสดาทรงทรมานพนนันทะครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับท่านพนนันทะที่พระพาหาแล้วนำไปสู่ดาวดึงเทวโรด้วยกำลังพาริศในระหว่างทางทรงแสดงนางริงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขานั่งจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้ ในนาที่ไฟไหม้แห่งหนึ่งแล้วทรงแสดงนางอับสห้าร้อยซึ่งมีเท้าด่งเท้านกพิราบ 2. บทว่ากะกุปาธานนี้ได้แก่มีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบเพราะมีสีแดงผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกะเทวราชในภพดาวดึงก็แรคันทรงแสดงแล้ว ตัดอย่างนี้ว่านันทะเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนาย ไ, ไหนหนอแรมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าหน้าเลื่อมใสกว่ากันนางชนบทกัลยาณีผู้สากิยะหรือนางอับสรห้าร้อยซึ่งมีเท้าเช่นกับเท้านกพิรากนี้พระนันทะได้สลับพระพุทธดำรัดนั้นแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางลิงรุ่นมีหูจมูกและหางขาดนั้นแม้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางชนบทกาลยาณีผู้สากิยะก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะการเปรียบเทียบกันนางย่อมไม่ถึงการนับบ้างไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งบ้างไม่ถึงส่วนหนึ่งบ้างแห่งนางอักษรห้ารอยนี้ที่แท้นางอักษรห้าร้อย น, นี้แล มีรูปงามกว่าน่าดูกว่าน่าเลื่อมใสกว่าน่าประหลาดใจสักเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเหล่านางอักษรแล้วนางชนบทการยานีโฉมงามของประเทศดูเสมือนนางลิงรุ่นอัปป ร, รักย้อนกลับมาที่การปฏิบัติสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานสมาธิจะเจริญ ได้ต่อเมื่อเราเป็นอิสระจะกกรมสุขแนนิวรนตามที่ท่านได้ยินแล้วว่าเทพบุตรแต่ละท่านมีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมซ้ายขวาข้างละห้าร้อยการมสุขทิพช่างสุดวิเศษจนเป็นการยากที่เทวดาธรรมดาจะสั่งสมกุศลกรรมดังนั้นเทวดาจึงกล่าวว่าโลกมนุษย์เป็นสุขติ เหตุผลที่พระโพธิสัตว์เลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตตลอดอายุไขในเทวโลกเมื่อใดก็ตามที่ท่านถือปฏิสนธิในเทวโลกเป็นเพราะว่าท่านไม่สามารถสั่งสมบารมีในเทวโลกได้ในฐานะที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสามารถอธิษฐานจิตให้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์แทนเพราะเป็นภพ ที่สั่งสมบารมีได้ง่ายกว่าดังนั้นเมื่อเราได้เป็นมนุษย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นแจ้งพระธรรมตามความเป็นจริงดังที่อัตมาได้อธิบายมาแล้วนี้คือสาเหตุที่เหล่าเทวดาก่าวว่าโรคมนุษย์เป็นสุขติอย่างไรก็ตามสำหรับเทวดาผู้เคยรักษาศีล จเจริญสมาธิและวิปัสสนาอย่างเป็นระบบถึงระดับลึกซึ้งในสมัยที่เป็นมนุษย์การเกิดในหมู่เทวดาช่วยให้บรรลุธรรมได้เร็วขึ้นเพราะเหตุใดตามพุทธพจน์แล้วในเทวโลกมีสหายทางธรรมมากเมื่อสหายเหล่านี้เห็นท่านก็จะจำท่านได้และจะเตือนให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อและเมื่อท่านปฏิบัติธรรมต่อในเทวโลก ท่านจะสามารถบรรลุธรรมได้เร็วมากกลับมาดูคำตอบของคำถามที่สองกล่าวคือเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้แหละเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้ว การมีศรัทธาในพระธรรมวินัยที่ตัดสอนโดยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสำคัญมากเพียงใดอัตมาอัญเชิญจากสังยุตตนิกายสคาทวัคสะตุระปกายิ ก, กะวัคที่สี่ศัทธาสูตรที่หดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวักถีครั้งนั้นแรเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุลละปากายิกามากด้วยกันมีวันนะงามยังพราเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาตนหนึ่งขั้นยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนหากว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่แต่นั้นบริวารยศ และเกียรติยศย่อมมีแก่เขานั้นอนหนึ่งเขานั้นละทิ้งสรีระแล้วก็ไปสู่สวรรค์มนุษย์เรามีเพื่อนหลายประเภทได้แก่ครูมิตรสหายพันยาสามีบุตรหลานผู้คุ้มกันเป็นต้นพวกเขาไม่ใช่เพื่อนที่แท้พวกเขาอยู่กับเราได้เพียงชั่วข่าวไม่ถาวร พวกเขาไม่อาจติดตามเราไปเมื่อเราตายสิ่งที่ติดตามเราไปได้เมื่อเราตายก็คือเพื่อนที่เรียกว่าศรัท ธ, ธาเป็นเพราะศรัท ธ, ธาจึงทาให้เราทากุศลกรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาดังนั้นยศและโพคะจึงมาสู่เราและเมื่อเราละจากร่างนี้ก็จะไปสู่สุขติภูมิ พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดในสังยุตตนิกายสคาทวักยักขะสังยุตอาละวักะส่วนที่สิบสองว่าสัตทีทะวิตังศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้สมบัติทั้งปวงที่สั่งสมไว้ไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินอัญมณีและค่าทาบบริวาร หรือสิ่งต่างๆอันเป็นเครื่องปลื้มใจบุคคลซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์แต่ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่แท้ของคนเพราะเมื่อเราตายเราต้องทิ้งทุกสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังแต่ด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเชื่อในกรรมและผลของกรรม เราจึงทำกุศลกรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาการรู้จักอนิสงส์ซึ่งเป็นผลจากกุศลกรรมเหล่านั้นเราจึงรู้ว่าศรัท ธ, ธาเป็นทรัพย์เครื่องพื้มใจอันประเสริฐของมนุษย์ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงลงทุนโดยให้ทานด้วยกำลังงานของบริวารและด้วยสินสมบัติที่สั่งสมมา ในานาบุญยเขตยอดเยี่ยมอันมีชื่อว่าคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติดังนี้ผลแห่งกรรมดีย่อมติดตามเราไปเสมือนเงาและเราสามารถนำกุศลวิบากนี้ไปกับเราเมื่อเราละจากร่างนี้ไปเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของมนุษย์ พระพุทธเจ้าตัดในสังยุตตะนิกายสคาทวักเทวตาสังยุตคตวาวักที่แปปาเทยสตดที่9ดังนี้ศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสเบียงเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเดินทางเราย่อมต้องการเสเบียงต่างๆได้แก่อาหารน้ำภาชนะเงินค่าเดินทางเป็นต้น การเดินทางยิ่งยาวนานเพียงใดเราก็จำเป็นต้องหอบหิว้วสะเบียงมากขึ้นเพียงนั้นหากว่าเราขาดเสะเบียงใดก็ดีและถ้าการขาดเสะเบียงนั้นยังเป็นไปอยู่การเดินทางของเราย่อมยืดยาวและลำบากยากเย็นในทำนองเดียวกันเมื่อเราเริ่มการเดินทางสู่พระนิพพานที่ซึ่งทุกทั้งปวงสิ้นสุด เราย่อมต้องการสเสบียงที่ถูกต้องอันเราจะหอบผิวติดตามไปกับเราได้โดยการสั่งสมกุศลกรรมกุศลกรรมทั้งปวงมีมูลเหตุในศรัทธาคือศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และความเชื่อในกรรมและผลของกรรมหากว่าขาดศรัทธาในสิ่งใดเหล่านี้เราย่อมจะประสบความขาดแคลนสเสบียง ที่จำเป็นเพื่อการเดินทางสู่พระนิพพานขอเชิญท่านพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งเ <c oughs> มื่อเราสอนผู้ปฏิบัติธรรมให้เจริญอาณาปานาสติเราพบว่าบางท่านก้าวหน้าได้รวดเร็วบางท่านช้าและบางท่านไม่อาจก้าวหน้าเราทราบว่าเป็นเพราะการปฏิบัติธรรมในอดีตชาติ ในท่านที่ก้าวหน้าได้รวดเร็วเมื่อสามารถรับรู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการกำหนดดูเหตุปัจใจและผลท่านเหล่านั้นก็ได้ตระหนักว่าตนเคยเจริญอานาปานาสติในอดิตชาติจึงทำให้ได้ทราบว่าตนได้เคยสั่งสมสเบียงอันช่วยให้เจริญสมาธิได้รวดเร็วในชาตินี้ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อบางท่านเริ่มการปฏิบัติเพื่อรู้และเห็นรูปนามปารมัต์บางท่านก็ทำได้อย่างราบรื่นบางท่านก็ประสบความยากลำบากนี้ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติธรรมในอดีตชาติเช่นกันกุศลกรรมใดที่ท่านเหล่านั้นได้สั่งสมด้วยศรัทธาในอดีตชาติเป็นทรัพย์อันติดตามท่านมาในปัจจุบันนี้อันเป็นสเสบียง ในการเดินทางสู่พานิพานเพราะเหตุนี้ท่านเหล่านั้นจึงได้รู้และเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงมีบางท่านผู้ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับลึกซึ้งเมื่ออดีตชาติท่านเหล่านี้ก้าวหน้าเร็วจนสามารถเห็นพานิพานได้โดยรวดเร็วในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานกุศลกรรมทั้งปวงที่เราทำเนื่องจากศรัทนานั้นรวบรวมไว้เป็นสเบียงที่ถูกต้องและเหมาะสมของเราเพราะเหตุฉนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งสเบียงพระพุทธเจ้าตัดไว้ในสังยุตตะนิกายสคาทักวคพรหมะสังยุตอุปาสกะวัคที่สองกะสิสูตร ดังนี้ศรัท ธ, ธาพีชังศรัท ธ, ธาเป็นพืชเราหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นถ้าเราปลูกพืชที่เป็นกุศลเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาด้วยศรัท ธ, ธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กุศลกรรมเหล่านั้นย่อมนำมาซึ่งวิบากสุขได้แก่การมีอายุยืน มีความงามมีทรัพย์มากมีความสุขมีเกียรติยศและอำนาจเมื่อเราได้เกิดในหมู่มนุษย์หรือในหมู่เทวดาและย่อมช่วยให้เรารู้แจ้งและเห็นแจ้งพระนิพพานดังนั้นเราต้องปลูกพืชแห่งศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้เกิดผลที่เรียกว่าพระนิพพานพระพุทธเจ้าตัดไว้ในสังยุตตนิกาย สขารวรกยักขะสังยุตอรารวะกะสูตรที่สิองดังนี้สัายาตาติโอคังคนข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาการข้ามห่วงสงสารทําได้ยากแม้เราจะทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามห่วงน้ําวนที่เรียกว่าการเวียนไหวตายเกิดด้วยเรือแต่คนข้ามห่วงสงสารอันยากที่จะข้ามได้ด้วยศรัทธา ถ้าศรัทธาตั้งมั่นด้วยดีแล้วโลกมนุษย์จึงเป็นสุขติภูมิแท้โลกมนุษย์นี้เป็นภูมิที่เราสามารถได้รับตามพาสิทธิ์ที่สองของเทวดาว่าขอจงได้ราบที่ท่านได้ดีแล้วโดยง่ายที่สุดหากเราพลาด จ, จากราบนี้ก็นับว่าเรามาสู่สุขติภูมินี้โดยไร้ประโยชน์ในจวะมานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าก็สัทธาของเทวดานั้นแหละเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้แหละเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลาย เมื่อบุคคลได้เห็นแจ้งพันนิพานด้วยพระโสดาปติมัคคยานและพระโสดาปติระยานแล้วจกไม่มีผู้ใดในโลกทำลายศรัทธาของท่านนั้นได้จกไม่มีผู้ใดมีอำนาจภาคอริยญาณ น, นั้นหรือแม้แต่ทำให้พระโสดาบันเปลี่ยนไปด้วยพระโสดาปติมัคคยานและพระโสดาปติผลยานทำให้ศรัทธาในคุณพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์มั่นคงไม่หวั่นไหวศรัทธาเช่นนี้แลเรียกว่าการตั้งอยู่ด้วยดีดังแสดงในอัธกถาเรื่องปาวัสูระอัมพัทอุบาสกดังนี้ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งมีนามว่าอุระพันทะบาลีว่าสุระอัมพัท ธ, ธ พระศาสดาทรงแสดงธรรมตามอำนาจจริยาของเขาจบเทสนาเขาก็ดำลงอยู่ในโสดาปฏิพลแม้พระศาสดาทรงฝึกเขาแล้วก็เสด็จไปพระเชตวันวิหารดำหรับนั้นมานคิดว่าชื่อว่าปุระพันธะนี้เป็นสมบัติของเราแต่พระศาสดาเสด็จไปเรือนเขาวันนี้ได้ทรงทมให้มักปรากฏ เพราะฟังธรรมของพระศาสดาหรือหนอเพียงที่เราจะรู้ว่าเขาพ้นจากวิสัยของเราหรือยังไม่พ้นจึงเนนมิตรรูปละไม้พระทศพลทั้งทรงจีวรทั้งทรงบาทเสด็จดำเนินโดยอากัปกิริยาของพระพุทธเจ้าทีเดียวทรงพระลักษณะ32ประการได้ประทับยืนใกล้ประตูเรือน ของปุระพันธอุบาสกแม้ปุระพันธะอุบาสกฟังว่าพระทศพลเสด็จมาอีกแล้วสำคัญว่าพระทศพลกาบแล้วยืนณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกาบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์ทรงทมพัฒกิจเสร็จแล้วในเรื่องของข้าพระองค์ทรงอาศัยเหตุอะไรจึงเสด็จมาอีกมารกล่าวว่า ดูก่อนปุรพันธะเราเมื่อกล่าวทำไม่ทันพิจารณาแล้วกล่าวคําไปข้อหนึ่งมีอยู่แท้จริงเรากล่าวไปว่าปัญจขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดทุกอย่างแต่ความจริงไม่ใช่ทั้งหมดเห็นปานนั้นด้วยว่าขันธ์บางจําพวกที่เที่ยงมั่นคงยั่งยืนมีอยู่ทีนั้น ปุราพันธาอุบาสกคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักอย่างยิ่งด้วยธรรมดาว่าพระพุท ธ, ธทั้งหลายตัดเป็นคำสองไม่มีจึงคิดค่ควรว่าขึ้นชื่อว่ามารเป็น่าสึกของพระทศพลผู้นี้ต้องเป็นมารแน่จึงกล่าวว่าท่านเป็นมารหรือถ้อยคำที่พระอริยสาวกกล่าวได้เป็นหนึ่งเอาขวานฟันมาร น, นั้น เพราะเหตุนั้นมารจะดำรงอยู่โดยภาวะของตนไม่ได้จึงกล่าวว่าใช่ละปุรพันธะเราเป็นมารปุรพันธะอุบาสกจึงชี้นิ้วกล่าวว่ามารตั้งหนึ่งร้อยตั้งหนึ่งพันก็มาทำศรัทธาของเราให้หวันไหวไม่ได้หรอก พ, พระทศพลมหาโคโดมเมื่อทรงสแสดงธรรมแก่เรา ก็ทรงแสดงธรรมปลุกให้ตื่นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงท่านอย่ายืนใกล้ประตูเรือนของเรานะตอนนี้เราควรพิจารณาว่าท่านปุระพันทะเป็นพระโสดาบันจึงมีศรัทธาเรื่มใสไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หากว่าท่านยังเป็นปุถุชนท่านก็คงหลงเชื่อมานั้น มีข้อแตกต่างอย่างยิ่งระหว่างพระโสดาบันและปุตุชนดังที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในสังยุตตะนิกายมหาวารวักสิ1อสัจจะสังยุตอภิสมยวักที่หนขาสิกขาสูตรดังนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ที่ปลายพระนขา แล้วตัดเรียกพิสุทั้งหลายมาแล้วตัดถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนฝุ่นเล็กน้อยที่ไปเล็บที่เราช้อนขึ้นนี้กับมหาปฏทภพีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาปัตตพีมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาอันพระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นนี้มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับมหาปัตตพีแล้วฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาที่พระผู้มีพระภาคช้อนขึ้นแล้วย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ ก, การเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวอย่างนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทุกของบุคคล ผู้เป็นอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้ตัดสรู้ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่านิทุก์นิทุกขะสมุทยัยนิทุกขนิโรธานิทุกขะนิโรธาคารมิเีปฏิปทาที่สิ้นไปหมดไปมากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวเมื่อเทียบกับกองทุก อันมีในก่อนที่สิ้นไปหมดไปแล้วอย่างสูงเพียงเจ็ดชาติพระโสดาบันปิดประตูอบายภูมิได้เด็ดขาดแล้วแต่ปุตุชนยังจกต้องได้สวยทุกกายทุกใจอย่างมิใช่น้อยในอบายภูมิทั้งหลายในภายหน้าเนื่องจากการไม่รู้อริยสัจสี่ปุตุชนจกต้องประสบพยันตรายมากมาย อันตรายประการหนึ่งก็คือการไม่รู้จักครูที่นำทางได้ถูกต้องเพราะเหตุนี้อัตถกถาจึงอธิบายว่าปุตชชนคือพวกที่มองหาครูหลากหลายอย่างไรก็ดีถ้าท่านได้สั่งสมกุศลกรรมมามากพอในอดีตชาติก็จะสามารถแยกแยะครูที่แท้ออกจากครูที่ไม่แท้ซึ่งหมายความว่า ท่านได้รับการสั่งสอนพระสัตธรรมที่แท้จากผู้หนึ่งเมื่ออดีตชาติพลังแห่งกุศลกรรมในอดีตชาติกําลังเกื้อหนุนท่านอยู่เพราะเหตุฉนี้อัตมาจึงสนับสนุนให้ท่านได้ปฏิบัติตามพระพุทธธรรมที่แท้ในชาติปัจจุบันนี้โปรดคํานึงว่าผู้นั้นสอนตามพระพุทธธรรมที่แท้หรือไม่ท่านทราบไหมว่า ไม่มีผู้ใดสามารถสอนมรรคาสู่พานิพานธ์ได้โดยลำพังตนโปรดระลึกไว้ในใจว่ามีแต่พระพุทธเจ้าตัดสอนมรรคาสู่พระนิพานนี่เป็นพระพุทธธรรมคําสอนซึ่งประทานมาถึงเราโดยตรงจากพระผู้มีพระภาคเจ้าในระหว่างการเกิดและการตายโปรดไต่ตองคําถามเหล่านี้ ท่านสแสวงหาครูมากี่คนแล้วโดยคาดหวังบางอย่างจากครูเหล่านี้ท่านได้บรรลุความพึงพอใจกับครูคนใดบ้างหรือยังท่านยังหวังจะสะหาครูอื่นอีกใช่ไหมใช่แล้วท่านควรทราบว่าไม่มีครูผู้เป็นปุตุชนคนใดสามารถทำให้ท่านรู้สึกพอใจและอิ่มใจได้เพราะเหตุใดก็เพราะทั้งสองฝ่าย คือท่านและครูผู้เป็นปุทุชนล้วนถูกขับไปในทิศ ท, ทางเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งโดยกิเลสต่างๆเช่นโลภะโทสะโมหะมานะอิจฉาและมัชริยะตานีเราล้วนตกเป็นทาตของกิเลสเราไม่ได้เป็นนายของกิเลสครูผู้เป็นปุทุชนย่อมชักนำเราไปในทางที่ผิด คนเรามักกระทาการจากเจตนาที่จะตอบสนองความต้องการทางโลกและตัณหาของตนตัณหาเป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งมักโหยหาบางสิ่งอยู่เสมอตัวอย่างเช่นเราไปหาคนบางคนเพื่อสิ่งที่เราต้องการและเขาก็ต้อนรับเราเพื่อสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันความสัมพันธ์ชนิดนี้ไม่เป็นไปเพื่อการรู้พระอริยสัจ ไม่ทำให้ระกิเลสเนื่องจากกิเลสเหล่านี้โดยที่แท้เราไม่อาจพอใจครูผู้เป็นปุตุชนที่ทั้งเราและตัวเขาเองก็ไม่อาจพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นเช่นกันคนเรามักตัดสินสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆว่าดีหรือแย่บนพื้นฐานของประโยชน์ต่างตอบแทนที่จะหวังได้ในภายหน้า ความคิดเช่นนี้ย่อมนำให้ครูผู้เป็นปุตุชนนั้นแปลเปลี่ยนไปมาเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังและเป็นแรงขับของอัตตาที่เป็นไปเพื่อสนองประโยชน์ส่วนตนและเป็นความคดในข้อท่านอาจได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่เขียนโดยครูหลากหลายซึ่งทำให้ท่านเกิดความสงสัยเป็นอันมาก ท่านอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าครูคนใดเป็นครูที่แท้หรือไม่แท้แล้วท่านจะทราบได้อย่างไรทันทีที่ท่านได้เห็นแจ้งพระอริยสัจสี่ท่านจะสามารถทราบได้ว่าหนังสือเล่มใดถูกและเล่มใดผิดต่อเมื่อท่านได้พบผู้ที่สอนว่าจะรากกิเลสได้อย่างไรจึงจะเห็นแจ้งพระนิพพาน และหลังจากที่ท่านได้เห็นแจ้งพระนิพพานแล้วเท่านั้นจิตของท่านจึงได้รับการเติมเต็มในที่สุดทันทีที่ท่านเห็นแจ้งพระอริยสัจสี่ท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าท่านจากไม่จำเป็นต้องส่อหาคู่อื่นๆ อ, อ, อีกต่อไปด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราจึงตัดในวัคคริสูตรว่าผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดได้เห็นแจ้งพระนิพพานแล้วก็จะไม่มองหาครูอื่นอื่นอีกเขาย่อมเหลือครูเพียงหนึ่งเดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ศรัทธาของเขานั้นแลเป็นคุณชาตตั้งลงมีมูลเกิดแล้วประดิษฐานมั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี้แลจากกล่าวได้ว่าศรัทธาของเขานั้นมั่นคงไม่หวั่นไหว ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายสามารถสถาปนาศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุพระนิพพานความสุขสารสาธุสาธุสาธุเจริญพรและเมตตาเวตาพิคุพระเอาตอยะ หมายเหตุพระอาจารย์เรวตะแสดงพระรธมเทศนานี้เป็นภาษาอังกฤษวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2548ที่พระอาตอยะประเทศเมียนมาเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548ที่ VMC และวัดมังคราวิหารสิงคโปร์